ธรรมชาดกแผ่นที่7ลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่28สิงหาคม2555มีชื่อเรื่องว่ายักษ์ยอมแพ้หลวงพ่อสีวาหลวงพ่อบอกใช้ไม้ลด หอมให้ลูกหลานฟังคักๆบ่อให้เที่ยวดาวฟังวักไปเที่ยวดาเพื่นชีฟังกับทุดแทะแ ต, แต่เห็นลูกหลานนางฟังกบนะับบ่อหลดวันนู้าใช้ไม้เหนแต่ยิ้ชัดเจนพอหนันเอ็มพี่สามของโลงพอ่อี่ทุกแผนพูดเร็วเสียงชัดแต่ว่าเนื้อหาสารานั่นอ น, นันตตามสไตล์ของไผของมันวันะ่สไตล์ลงพาออินวนกไปมีทั้งชาดกมีทั้งยังครบวัดทนออกไปยุได้หันมาทวแต่ก็เป็นที่ นั่นก็ได้ละแจงหมู่ว่านหมื่ก้อนนะสองตายยา่มาจากจังหวัดเชียงใหม่อายุเจ็ดสิบกว่าละ่ะเป็นด็อกเตอร์ทั้งครูด้วยเป็นดอกเตอร์ทั้งครงคูจบจากจุฬาปนะทํางานลูกพินลูกชิดลงตาแล้วกเกษียณอะไรล่ะบ่เอายุเจ็ดสิบกว่าดิฉันเป็นลูกชิดลงตามายี่สิบกว่าปีด้านในลงตาให้เทพแล้วก็ให้ประวัติปฏิปทาพุทธรวงกรรมฐานประวัติดิฉันไปอ่าน แล้วก็ฟังเทศหลวงตาเข้าใจแต่พยายามพูดให้แฟนพัน่าแฟนนี่เป็นลูกเตอร์เฮือนเนี่ยแฟนบอกเข้าใจผู้ชายนะแฟนเบอาเนี่ยก็บอกเข้าใจเทไงไปฟั่งเข้าไปแล้วฟังเทศหลวงตาบอกเข้าใจมันเป็นยังไอแต่มางานงานของหลวงตาในรัฐบาลเนี้ยงานหลวงตาในหลวงพ่อขึ้นไปเทศเอไปเทศในางานหลวงพ่อบอกยาหมื่นเสาเปิงในโทรทัศนดออาจารย์องค์นี้บอกเข้าใจไว้สินเออเอเอ องค์นี้บเข้าใจว่า่เนีถึงได้ก็ต้องไปกราบเพื่อนใดเราสันลูกปูไถองหนึ่งลูอินนี่องค์หนึ่งว่าท่นเลยฟังเข้าใจว่าท่นเนี่ยว่าเหมือว่าเนี่ยพหลูพระเลมหาหลวงพ่อเนี่ยท่านอาจารย์เนี่ยพอบ้านของดิฉันนี่ฟังเทศหลวงพ่อเนี่เข้าใจว่าท่นไวฟังเทศหลวงตาบ่เข้าใจว่าท่นวสร้างวาแต่ทนี่ว่าแต่ในที่น้เรามาหลายคนคือกันนะในทนมาหลายคนคือทาฟังเทศหลวงตาโดยมากหลวงตาเทศ เออข้ามใส่ซับสูงเพิ่นใส่ซับปิดริยาเอาเนไปเออแต่หลวงพ่อนี่ใส่ซับมวยเลียงควายเอานีนไปโดยมากเขาว่าหลวงพ่อนี่ชอบเล่าชาดรกกันเข้าปะชาดรกกับเป็นเรื่องเปรียบเทียบใกล้ๆกับว่าเขาว่าเปรียบเทียบในยุคสมัยนี่อขั้นผู้ไรอ่อนแอพระพุทธเจ้าเพิ่งกวางได้ชาดก้อนเนี่ยห่อเป็นผููเข็มแข็งเ่อเบาอ่อนแอพวกท่านทั้งหลายจะอ่อนแอได้จังใด พรสงทั้งหลายสมัยใดพระพุทธเจ้าสมัยที่พระพุทธเจ้าเข้มแข็งไม่ย่อท้อเพิ่นเ ว, า, วาเป็นชาติรกขึ้นมาแล้ววันนะบอกว่านนี้สมัยนั้นเข้าไปเฮียนทังสีจบมาแล้วอาจารย์มอบ อ, ออาพุธไห้เข้าทะนูให้เข้าดาบไห่เข้าตะโพดไห้เข้าอบมดเข้าก็ถือไมเอ้เข้าจะไปทางใด น, นี่เอขั้นไปทางนึงขั้นมันไปทางทางโค้ง มันเขาโค้งโปดไปทางซื้อเขาก็บว่ามีมีอมนุษย์มีพวกเยักเบอร์ท่าไหต่เคยดักกินคนมาเฮ้าเคยมีอาวุธทางครบปานเอ๋เฮ้าจิปยาญานยังหวะนะแต่ไรก็จะไปล่องาอาวุธปังจักรหลข้าวเนียวั่นก็นเลยเดินทางมาทางหลัดนะพ่อมาก็มาคือเขามาหอดกลางดงเลยเฮติหลีบานเนี้ยหยักตัว น, นึ่นก็มาออกมากขวางทางเดวไปเออพอมาเออเอ้ยมาไร่่ น, นะจะไปไหนเนี่่น จะเดินไปทางไปกรุงพระราชนิษย์มาด้วยมากับใครอย่รู้จักไม้ทางนี้เป็นทางอันตรายเลยเนี่ยเราเนี่คืออมนุษย์เป็นยักษ์ก็จะพร้อมที่จ ะ, จะจับกินคนใดทุกคนมาดัวยทางนมเนี่ยเขบอกว่าเหล็กนะยักษ์ข้าวพเจ้าจะไปกรุงพระราชนิษย์ไปเมืองของข่าวพรเจ้าทางไปทางมั่นยังม่ยุงกันนะอ้าวทาไมอันนั้นนะเดี๋ยวเธอจะต้องเป็นอาหารนะทางนมเนี่ยยาในยักษ์นจะ เ, เของม้าไก่นะ เธอนี่ยลู่ลิดของข่าวไปเจ้าน่อยไปสันเี้ข่าวไปเจ้ามีอาวุธทั้งหาที่จะสังหารทันใดกันแล้วกันนี่อีกน้าสันนี้แต่ทางยาวยากเอาเอาเลยสันนี้ขึ้นนั่นมาสันนีอยากไปไม่อยากขนเหนียวมาเนี่ขนเยามาเนี่ยยลุยอยู่าเนี่ยแต่นี็ก็ถอดตะนูออกมากกับโกงเต็มที่เราเไปอาบยาพิษอีกต่างหากเลยตามหลักวิชาของอาจารย์สอนให้เรานี่ยไปใส่หนาวใชก็ตุกมาเนี่ ไปติดจุขนอยากเหมอนมันค น, นมันเหนียวเลยหอยตรงแหลงอยนเนยยินะย่งแบบรั่วเลย ว, วไปหาซีบดอกนี่ไปมดแอ่งแสงว่นเธอไปโอ้บอ่ไใดมันไปติดตะคนขนมันเออพอยิ่งเสร็จแล้วกระโดดออกมาอีกหยักกระน้ำออามาอีกเมื่อย่าเขามาได้สันดาบกูมีนดาบสันเนี้ยหยกกรยั่งยากย็ากมาดโดดเข้าไปเอาดาบไปฟัน ว, วันเไปเออพ่อดาบฟันเสร็จแล้ว ดาไปติดจุดขดอยากเกี่ยวคนออกไปโตโตเองคนไปเดี๋ยวเอาหอกกุศลเน่เมื่อยี้มาไกลนะหอกกุมีดาวกุศลกู้ศีรษะมึงพุ่งมึงทะลุก็แล้วกันอยากกัญญาเขาจะซาดเอกไปติดขนอีกพวนี่ชื่กันขอนตะพดแล้วบาดกู้ศีีนะแข่งเมื่อกี้บาดกุศเน่เมึ่อก้ามาไกลกุศลมัดไปมดไปได้ได้เนอาวุธอาวุธที่มันเก่งคนออกไปเอาไว้คออนตีตีเต็ดเต็ดมึงอกี้เขามาดแมื่อก็้เา กูกาปั่นกูมีอีกนะว่านเนี่เอเขามา้าเลยถ้ากําปั่นตีกันไปตีก็เต๊กกำปั่นใส่กับปั่นขวาเอาหนาแขงสัดก็อีกเต๊หนักแขงเอเอาปากกัดตีกันไปไปบ๊วยบ่อมถอ ย, อยกันไปเออนี่ยหละเฮ็ดยังคือกันเลบ้านนี้พ่อยักป้าโทรท่นมันป่านนี่ท่นกูเคยกินคนมันี่กบน่นมันปบป่านนี่เนะาะ่นพ่อเห็นว่าหยักท่า น, นก็ตาเหลืกลนนอกเราท่านตายทั้งเป็น้วาท่าน อันนี้มั่สรางเก่งปณิเท่าทันยังคุยอีกเด้มึงอจะกินกูนายักเท่านันแะ่กามึงกินกูเน่มึ่นายในกูเนี่ีนี่ของกายยจิตเท่าทันถ้ามึ่กินกูเข้าไป่ม่อท่องเมึ่อกะเพาะมึ่จะทะลุเลยแล้วท่านเนี่ยเออคูสญยากี่วันถ้ามึ่กินกูเข้าไปมึ่อกะเพาะมึงทะลุเลยแล้วแต่มึ่ตายเลยแล้วท่านนี่กันมึงคืนกินกูเน่อยากเมื่อกะยานตายขึ้นแนยวนตอไป พู้ถูกรูมันเห็นมันโมนเคยเห็นปะเนี่โอ้โถโถโถเะนเจ้าสิไปใส่ผมจะไปกลุ่พระราษีเออเลาไม่เคยเห็นคนที่กล้าถึงขนาดตีเลยเอะนะสู่ถึงขนาดตีเลยเถอถ้าเล่าคืนกินแก้เนี่ยขาเนี่ยจะต้องถูกบาปกรรมอีกตา้งหากแล้วอาจจะเป็นผิดยังเถอะะมันว่าผิดคือยังไงกิน ถ้ากินเล่าเขาไปนี่ยกินเพชเนะวะสันนะเพชมันจะตัดกระเพาะของเธอเนะเพิร์บอกว่าเนี่เพชรนี่คือปัญญาของเฮาคนวะก็ผู้อาวุโสพูดว่าเพชเนี่คือปัญญาของเฮ า, านคนวะเนี่แหละมันต้องสู้วนะันเนะสู้จนสุดความสามารถพอให้่นพวกท่านทั้งหลายจะเป็นพระป็นิโนมก็ตามจาไปทําะยัางอ่อนอ่อนออยออออยไม่ได้แต่ต้องสู้เกิดมาต้องสู้พอแห้งแล้ววะสัน ไปสูบส่บทที่ถอยได้จังไหนเห็นไหมขานาดเล่าสู่กับญาเข้าจึงใสอาวุธปัททุก ท, ท, ท, ท, ทุกตัวเอใช้กระทังปัญญาเข้าโผล่ในสุดเข้าเอาตัวหลอดได้ในมาค้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินค้องกลุงพระราษสี์สมัยนั้นเขาเป็นกุ ม, มารเป็นโพธิสัตว์เป็นลูกของพระเจ้าพระราษสีกลับมาในค้องหลาดเนี่แหละให้พวกท่นทานทั้งหลายฟังไว้นะเกิดชีวิตต้องสู่ถอยบอ่อได้นี่แหละ หลวงพอ่อสอนคนมันก็แม่ยังได้เมนบวระวังคนมันบวสู้เมนบวละ่ะถ้ามันยังอ้อยเอ้อยองหลวงพอ่อเคยสอนนะพอกเสียทั้งหลายหนะ้อาอทําการทํางานทํามากค้า ข, า, ขายพ่อจะลืมตาอาปากได้เขาเอื่อหน้าเสียอัเสียแชงแสผุนเชงแสผีเอาไปมากอัเสียเลยหัวทิมบอหายมิดไปจะไม่ไปไปใส่ปูนหรอกเพราะเห็ุใดเพราะเป็นหนี้เป็นศีลแล้วอมันเที่ยวมันตี มันพอทาการทํางานมันพอสูนี่แหละขอให้ลูกหลานทุกคนนะ mm hmm. ให้ทําการทํางานเนะให้สูเนะชีวิตต้องสูต้องหูวจักข้น้องข้นเฮ้า น, น, านึ่เกิดมาแล้วสูหูจักการรู้จักงานรู้จักสิ่งควรทําบอควรทํำออันไหนสิจี๊ปหายอันไหนสิจะเลื่อนวพวกพวเฮ้าเบิ่งแหลมนั่นแหะมันมีแต่ความจะเลื่อนลุงเลื่อนนะตะคิดทรือทำไรจังสัตถันเอาพวกเฮ้าโ บัได้ใส่ความคิดทังสันเนาะบัได้ไดเลาะเลาะเล่เ ล, เ, ล, เ, ลเป็นมือมือเว้นเว้นไปเป็นนักพจนักบวชก็บ่ดีบวชจริล่นักพจนักบวชไฟพระกรรมฐานเนี่ยเป็นเฮหยังเป็นให้ภาวนาหน้าที่ของพระกรรมฐานคือภาวนาท่านจิตใจให้สงบบำเพ็ญทั้งจิตตพวนาเป็นสำคัญทั้งไฟปริยัติก็ให้เลี้ยนตำรับตำรา ศึกษาขรนขวาพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าหัวใจมูไดสิษยาบดไ ด, ด, ไ ด, ไดประสูตรพระวินัยพระอภิธรรมศึกษาให้เข้าใจเป็นคารวัตงาติโย้มก็คือกันธรรมมหาเลี้ยงฉีบธรรมมาค้าขายให้สุดเจล็ดเพราะชีวิตของเฮาก็ะหูกอยู่แล้วว่าเป็นของประเทียงแทแน่นอนไอหมอกหูก็ไปเท่าสิไปมือใดเท่าก็คนเจ้าซอแสวงหาทั้งสองอย่าง ส อ, อย่างคือนอย่างอาหารกายอาหารคิดอาหารใจอาหารกายนี่ยขึ้นเนี่ยนยะคือเขา้านาโพชนาะอาหารเงืนข้ามทรัพย์ ส, สมบัติเนี่ยนะคืออาหารกายส่วนอาหารใจก็คือศีลธรรมอศีล ส, สมาธิปัญญาเข้าขั้วจะศึกษาคือกันขั้นบบศึกษาเนะาะจิลูใดจังไรเข้าขั้วจะศึกษาศีลธรรมเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจใครพวกเขามี สิลไม่ศีลไม่ถ้ำในการประพฤติปฏิบัติอาหารเรื่องการข้องชีพพวกเฮ้าก็ย่าได้ขาดตกบกพ่องในการหาปัจจัยซีปัจจัยซีจะให้ขาดตกบกพ่องและการหาถ้ำก็ย่าให้ขาดตกบกพ่องเพราะอาหารกายกับอาหารใจดิหลวงพอเน่นแล้วยัาอีกว่าควนเฮ้าเกิดมาไง ตายแล้วบอสูญหนะ้าตายแล้วเกิดอีกไงบาปบุญคุณโทษมีแต่บางก้นกสิถามว่านลงพรอดขึ้นใจยังไงว่าตายแล้วบอศูนะเพราะพระพุทธเจ้าคู่วายอาจารย์หลวงปู่หลวงตาเนี่ยเพิ่นบอกได้เพิ่นเน้นนักนแท้ๆวันนไปเพิ่นย่ำแท้ๆวันน้ไปเออเพราะพุทธเจ้าเป็นบ่รมมาครูเพินเ่นไป น, นั่งพระวนาเนี่เมื่อจิตสงบลงไปแล้วเอาร่างกายเป็นช่วงหนึ่งอาจ ชวนจิตใจเป็นอันหนึ่งฮะต่นนี้พ่อแม่คู่บายอาจารย์ลุงปูลุงตาเฮาคือกันเวลาปั่นนังพ่อวนาจิตใจร่วมลงไปแล้วร่างกายกับใจนี่ยเป็นคนละอันกันร่างกายก็คือร่างกายของเฮาก็คือรถส่วนจิตใจก็คือคนขับรถคนขับรถนั่นน่ะอาศัยรถรถคือร่างกายเพราะนั้นตัวรถเนี่ยมันพังแน่แน่เอาไปเผาเอาไปฝังทินดินถิ่ม แต่ว่าส่วนนามพระถ้ำคือจิตใจนะนะอ่คือน้าพระถ้ำนะำคือจิตใจนออกจากหลอดออกจากล่างนะตัวนั้นสําคัญเลยพระพุทธเจ้าพูดว่านี่ยตัวนั้นเป็นตที่พระพุทธเจ้าให้ความสนใจให้ความสนใจอย่างมากเรื่องนามพระถ้ำเรื่องตัวผู้รู้เนี่ยคือนามพระถ้ำเนี่ยใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจฮะมโนภพูพังขามาธรรมาเป็นบาลีเลย นี่แหะขอให้พวกเฮาลูกหลานทุกคนเนะ่ะให้ประกอบคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สร้างสมบุญกุศลเข้าสู้จิตเข้าสู้ใจเรื่องทางโลกการซอสแวงหาเงื่อนข้ามทรัพย์สมบัติก็ย่าให้ขาดตกบกพร่องสู๋อย่างที่ว่านี่ยนะให้อย่างพระพทุทธที่จัดเป็นผ้าสู่แต่ส่วนทางถ้ำก็ให้สูเขื้อกันยาล่ายาถอยไหวพระสวดมนต์ให้นั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบก่อนรับก่นนอนนั่งนั่งสมาธิยาได้ขาด เอ่อมือรหนันาที่ซิปนาที่มื่อไดบงังวังพยายามนั่ง น, นั่นมื่อไดมีการธุระการงานหรือเอาการลดย้อนพรบั่งแต่ว่านั่งภาวนาที่เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญมากในหลักของพระพุทธศาสนาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเรื่องนั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบนะแต่ว่าพวกเฮาจิตใจสงบเน่งเมื่อใดพวกเฮาเมื่ต้องถามไปแล้วตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญ อันไหเกิดอันไหนศูนย์เข้าสู่หูจักเลยหูจักโดยตนเองศูนย์ในชัยร่างกายนี่ยศูนย์แน่ตายแน่แต่ส่วนหน้าประทับขึ้จิตใจบอลศูนย์ตัวนั้นบอลศูนย์ที่ภาพไปเกิดที่พอเป็นเปรดเป็นผเนีเป็นเที่ยวบุตรเที่ยวดาที่พวกเข้าเห็นผีเห็นผีเนคือเห็นวิญญาณนะนะบางที่วิญญาณเขาก็แสดงปรากฏให้เห็นปรากฏขึ้นมาแต่วิญญาณมันเต็มไปทุกหัวะไห่ง แต่ละแห่งแต่ละหนุ่มมันคล้ายๆกับว่ามันเป็นขื่นไผคขื่นมั่นขึ้นกันขันหมุนถึงขื่นจึงจุงรู้จักอพระพุทธเจ้าเพลินมีวิทยุลายขื่นเนี่ยของเพลินพอเพลินบําเพ็ญมาแล้ววิทยุพระพุทธเจ้าในีลายขื่นหมุนไปเบิงเทวดาหมุนไปสู่พรมอหมุนไปเบิงเปรตเป็นสัตวติราชานตกนรกหมุนไปเบิงเห็นมดเนีเพราะวิทยุของเพลินมันขื่นเดินเข่าได้กับทุกขื่นหันไปอพวกห่อเนี่ยื่นไผ่ขื่นมัน เออ็มจะมุนไปหาเอเอมก็บอได้ฮะอันเองขึ้กันนะ่ะเพื่อนั่นสิียงเ่านั้นผูมิญา ณ, ณทัศนะเพิ่นจึงหูได้เฮาต้องเชื้อพระพุทธเจ้าเชื้อพ่อแม่กู้บ่ายจานหลวงปูหลวงตาเนะี่ยเพิ่นยืนแล้วยันอีกพวกนักภาวนาทั้งหลายเนะี่ยเพิ่นทิดเมื่อจิตสงบลงไปเพิน่นจึงหูจักท่านที่เลยว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูญใช่ร่างกายสั้งขาเนะี่ยดินน้ำร่มไฟร่างกายของเฮ้าเนะี่ย ตาหูจมูกลิ้นกายเนตายแน่แน่มันเอาไปแต่สุดคิดใหญ่คือหน้ามาถ้ำเนอคือรถเนี่ต้องพังก่อนนเพื่อแต่ว่าคนขับรถนึ่ต้องออกจากรถไป อ, ออกจากรถไปไปหาซื้อรถคันอื่นคันว่าคนขับรถหนี่งมีทุนทรัพย์ในขณะที่ขับรถคันนี้อยู่เนี่ยแสวงหาทุนทรัพย์หาเงินหาท่องเก็บสะสมไว้โดยความบวชประมาทก็คิดว่าอีกสักวันหนึ่งรถคันนี้จะต้องพังน่ะ รถคั้นในพังเฮาก็จะติดซื้อรถขั้นอื่นอมาไหวใส่อีกการว่าโซเฟอร์มีความคิดยังสั่นนะโซเฟอร์คนนั้นเกิดพอรถขั้นในพังเกิดโบตกถูกไดอยากล่ะแต่บางโซเฟอร์บางคนอย่าง่บเชื่ออีกต่างหากว่าเนาะไปหือ่บเชื่อไปรถจะของสีพังเนาะไปแต่ผมก็ใส่ไปกูใส่ไปทั้งสิ่ละ่ะก บ, บได้คืดว่าปูยาตาย่ายเอปูถวดของเฮาหมู่ คณะของเฮ้าเนี่ะล่มหายตายต้นหนาต้นตาก็ยั่งโบเสืออีกไว้เจ้าของสีตายเข้ไปนี่ยเพราะเหตุอะไรพราะความหลงเพราะนั่นให้พวกเฮ้าคืดรุกัารธรรมะเฮ้าตั้งอยู่ในความบอรประมาทนี่ยแหะเฮ้าสแสวงหาคุณงามความดีสางบุญสางกุศลเข้าสู่จิตสู่ใจการธรรมะมือเฮ้าล่มหายตายจากลงไปเมื่อใดบุญกุศลที่เฮ้าได้เก็บหอมรอมริบเรือได้สังสมมานจะเข้ามาสู่จิตใจของพวกเฮ้า คนที่มีบุญคือคนที่ไปไปแล้วก็คือคนที่มีเงินติดกระเป๋ า, าละบลันแหมหลวงวิญญาณนะ่ะมีเงินติดกระเป๋าเต็มเป็นมีแต่เพชดนีน่จีนดาทั้งหมะจะไปไสก็ะไดบัดสิไปประเทศไดก็ะไดจะไปเกิดไสก็ะได เ, เพราะใดเพราะคนมีบุญเพราะคนมีเงินการที่คนบมีเงินเนี่ยออกจากล่างไปแล้วเฮ็ดจะไหนบัน ข่าวสิยูสิกินก็พอไีมพบว่าได้ทำบุญสั่งบุญสั่งกุศลเอาไวพ้พอคิดว่าตายแล้วศูนย์ก็เลยบอได้เตรียมการอย่างเอาไว้เลยอันนี้เผาพวกเผาเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์บุญนาจะเป็นยังสั้นนะหลวงพ่อว่านะให้เตรียมพร้อมเอาไว้นะชีวิตของพวกเผาอย่างที่พวกเผาเห็นเหตุ น, นะพ่อแม่ปุญญาตายง่ยายญาติมิตรสหายตายแล้เผาเห็นกับมากตอมากมาแล้วพวกเผาสิยูไปหอดมือไถ ที่หลวงพ่อดิพบพวกเห่ามือแล้วเนี่ยคู่บาอ า, าจารย์ลงรอยไปลงรอยไปคูบาอาจารย์ก็มิถะเ่าแก่ไปหลวงพ่อเนี่ยสมัยก่อนก็เป็นพระน้อยพระนมุมบ่านมาเห็นกูกหลานมาเห็นข้าวเนี่ยจะต้องแก้ไปหลายต่เอื้อเพื่อนนะเออเห็ุที่ไหนมันแก่ได้แก่ไปหาหนังแก่ไปหาตไยแก่หลากขากหลากไปหลากไปลากไปกไ ป, ไ ป, ไปหอดนาผาได้เห็ุที่ไหนบ้าน่งัดล่องหวเท่านั้นแล้ว เป็นเร่อสชีวิตของพวกเฮาเราหาความสุขชีวิตในหาความสุขที่แท้จริงได้บออันไหนคือความสุขที่แท้จริงของมนุษย์บอมมี่ได้เพราะนั้นให้พวกเฮาหาโลกในโลกหาได้คุณแม่ชีแก้วพูดว่าโลกหาในโลกหาได้หาดีก็ได้หาสั่วก็ได้หาโลกหาสวรรค์หาความสวใส่จกของก็ได้หาดีใส่จกของก็ได้เฮาสีหาหยั่งใส่จกของะ อย่าไปหาแนวขีลาย่ขี่เล่ใเจ้าของนะหาแนวดีๆนะเนี่ยใจเจ้าของหาบุญหากุศลใจเจ้าของแนวมันบุตรีย่าหาใจเจ้าของคนไปเนี่พอเฮาเกิดมาได้๋พบพระพุทธศาสนาพบพ่อแม่ผูบ า, า่ายจันเพิ่มมิตรสอนให้เฮาถ้ำดีเด้ออย่าตั้งอยู่ในความประมาทและลูกหลานเน้อตายแล้วบิดศูนเน้อนรกสวรรค์มีจริงอีหลีได้ขันพวกลูกหลานอยากหู่จักว่านารกสวรรค์ตายแล้วเกิดตายแล้วศูนให้ดังภาะวนาเนะ้อ ถ้าลูกหลานนางพาวนาจิตใจสงบร่วมลงเป็นหนึ่งนะจงหูวงจักใดเลยร่างกายคับใจนี่ยเป็นคนละอันกันคือการลดกับคนเขาลดจึงสลระนะเปิ้นจึงห่งจักเลยเ่ยเพราะนั่นในพวกเข้าฟังฟังไหวถึงเห็ดโบราณได้ฟั่งไหวหไไหไหว่าลไปเนีทดลองบ้างอีกเนี่ยนางภาวนาบ้างอีกเพิ่มเพิ่มบุญวาสนาบา ร, รมีของเขา้าเก่าแก่มีนัางภาวนาวจิตใจสงบวพวกเข้าจะรู้ได้ด้วยตนเองเลยบาทนี่เออแมนอิลี คู่บา่ายยานเพิ่นเบาไหวน้ำแม่นแท่นีเพราะมันเสือนบมันเสือในเปิดในเสือเนี่ยความประพฤติของเข้านี่เห็นอีหลีตายแล้วบกตายซึ่งพศู น, นเนี่ยเนี่ยพราะนางเพาะหน้าจิตสงบจิตลงร่วมลงไปนี่จิตเป็นอันหนึ่งล่างกายเป็นอันหนึ่งจิตล่วงไปโอ้จิตหนีเด่นจริงๆอดูซิว่าเด่นมากๆจิตใจของเขาเนี่ยจะหูได้โดยตนเองนะพผพวกเข้าทุกคนเนาะ ประกอบคุณงามความดีหลูกรานศรัทธาญาติโยมถ้าตอนนี้ไปรับพ่อในะนนี้นะหลวงพ่อจะให้พ่อเนี่ยพ่อจะเสด็แจกหนังสือแจก 3, เอ็มที่สามเพื่อเป็นการศึกษาเอาไปฟังเทศของหลวงปู่หลวงตาเทศของหลวงพ่อคู่บาอาจารย์ไปฟังฟังไหวนะพวกเฮายาไปคิดว่าโอง้งนั่นเทศนะอะไรโอ้งนี้เทศอะไนระจะไปหาวิจารณ์คือกันครับพวกเฮาเห็นพอ่อคขาดไงนั่นะนะเออ เศรษฐีเมืองไทยแล้วคนด้วยคนละย่างกันเขาโบมันสิเ็ดแนวเดียวกันเด้เอ่แต่เขาหาก็ได็เงินขึ้นเขาไนงะอันนี้คือกันคูบาอาจารย์แต่และองค์นะเพลินพวนาของเพลินบางองค์กับเพลินทั้งเล่งทางปัญญาบางองค์ก็บเล่งทังสมาธิบางองค์กับพเลบบพลินเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายไายจิตแก่ของเพลินลดลพลนเพลินก็มาว่ให้เฮ้าฟังไปะนะ เฮาจะมาวิจารณ์เนาะเอ้ยหลวงปู่องคนั้นจะมาบอกจังสี่องนี้จังสี่จะมาเบอกจังสันไนะหมเฮาให้ฟังไว้เฮามีหูสองขางฟังแล้วใส่ใจเอาไว้แต่ก็มา ก, กันกองไตรตองเฮานิสัยของเฮาสิเขากับองค์ใดใดที่เฮาฟังเบิ่งแล้วเออองคนี่กูบาอาจารย์องคนี่เฮายอมรับไปเปิ่นบอกแม่นเฮาเข้ า, ขาใจแท้แท้ไงนะอย่างที่หลวงพอวานะ่ยขนาดหลวงตาถ้ำอันสูงชดที่เปิ่นเทพเป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีปัญญาแต่บางคนก็ฟังบอกเข้าใจไะ หนึ่งชั้นแหละเป็นเพราะเหตุใดก็เพราะว่าจิตใจมันฟังว่าไรมัน ร, รับว่าไรมันเปิดว่าไรเขาก็จะเข้าใจยุทแต่มันบอกเข้าใจอแต่ฟังองค์หนึ่งฟังเออเข้าใจองค์ไหนนะเข้าสิไปเอาองค์ที่เข้าใจเลยไปประมาทลงตาเขาบอแมน้น อ, อลงนั่นเพื่อเป็นที่ยอมรับของขู่ขนอยู่นะเพราะนั้นเข้าต้องใจกว้างไวเดืองธรรมะอย่าไปประมาท คู่บาจา์เป็นบาปเป็นกรรมซื่อหลวงพอ่อในแนะนาสั่งสอนลูกหลานเนะเออเคารพองค์หนึ่งจะไปด่าองค์หนึ่งบ่ได้เลยลูกหลานดนะ้บาปเนะ้ออย่าไปหานะเฮ็ดเน้อเออต้องเคารพเป็นไหวแต่พอนเฮ็ดพิษเฮ็ดว่ตถุชิ้นถูกถ้ำเออเข้าเขาเวา่เพราะเขาเป็นพุธ ท, ทธบริษัดจีเขายัางค่อยว่ค่อยว่าอันนี้เห็นเขาว่เพราะว่าเข า, ว, า, ข า, ว, า, ว, าว่าไปตามเข า, อ, า, าอ่ะบ่ได้เลยบาปเลยหลวงพอวานะถ้าตอนนี้ไปรับพ่อนะวันนี้นะ